ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP สแผ่นที่96โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี MP สแผ่นที่96ให้คติธรรมหัวข้อว่ามตวาตะปะติปาปะกังคำพูดชั่ว ย่อมพาตัวให้เดือดร้อนถ้าผู้ใดก็ตามพูดออกไปแล้วก่อนที่พูดคําพูดเป็นเป็นของตัวเองแต่เมื่อพูดออกไปแล้วคําพูดเป็นนายย่อมเสียหายถ้าพูดไปในทางที่ไม่ถูกต้องถ้าพูดไปในทางที่ดีก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วหน้าเพราะนั้นการที่จะพูดอะไรออกไปก็ขอให้พวกเรา ได้ ใ, ใช้นิสัมมะกระนังเสยโยไขยควรก่อนนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอคหอยสมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกๆคนด้วยเทอญ